อย่างข้อ9้านะเ ห, น เ, าเหมือนกับดาบเหมือนกระดาบที่ที่ไปฟาดไปฟันไปหัําไปหั่นเนี่ยนะการทั้งหลายเหมือนดาบนะที่ที่ฟันกันแล้วก็อย่างที่สิบนะหัวงูคือถ้าเป็นหัวงูนะถ้าคนที่ไม่รู้จักงูเนี่ยมองเห็นแล้วมันจะงามมากอนะ ใครที่ไม่รู้จักงูนะไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือวัตถุมีโทษไปเห็นหัวงูเห่านะมันจะดูเออดูดีไหมงามเนี่ยนะไปดูพวกหัวสารพิษทั้งหลายนะมันจะงามแต่ว่าอย่าให้กโกรธกันแล้วกันอย่าให้มันกัดนะถ้ามันกัดแล้วก็เดือดร้อนก็บอกเมันก็เหมือนกับหัวงูหรือเหมือนกับอสรพิษดีๆนี่เองเนี่ยนะก็ถามผู้มีประสบะการณ์ทั้งหลายและว่าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุอันไหนมัางไม่เคยถูกงูกัดกลับมาบ้างอันไห น, น อย่างน้อยก็กัดใจมาคันเขายุกเยิกอยู่นั่นแหละนะมันมันเขาบว่าสังเกตผลเนี่ยได้ตอนไหนได้ตอนถ้าลองไปเจริญสมมถะวิปัสสนานะแล้วพวกนี้จะเข้ามาทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้การทั้งหลายที่เหมือนของขอยืมนะนี่มันจะเข้ามาหมดเลยเห็นไหมเขาบอกไม่อย่าเพิ่งไปคุณยังชําระเรื่องนั้นไม่ได้เขาจะมาทวงเรื่อย นะเคยชอบเรื่องนั้นเอาไว้ไม่ใช่หรือเคยเพลินกับเรื่องนั้นไว้ไม่ใช่หรือเคยชื่นชมกับสิ่งนั้นไม่มากไม่ใช่หรือเนี่ยนะมันก็จะเร่าร้อนมาเรื่อยๆติดตามพรานพระองค์ก็ให้พิจารณาโทษของกามโดยประการอย่างนี้ไอ้ถามว่าคิดแบบนี้มากๆจเจริญเป็นการจเจริญวิปัสนาไหมก็บอกว่านี่เป็นลักษณะของพวกพลวะวิปัสนา เนี่ยนะเป็นเป็นวิปัสนาที่มีกําลังมากนะถ้าใครเจริญได้ขนาดนี้ถ้าเห็นแบบนี้เป็นอัธยาศัยเนี่ยนะพวกนี้เป็นพวกที่มีวิปัสนามีกําลังมากแต่ไม่ใช่ไปมีโทสะกับวัตถุ ก, กามนะคือคนที่รู้โทษของกามกับคนที่เดือดร้อนเพราะกามเนี่ยเหมือนกันหมถ้ากรรมตั้าคำถามใหม่คนที่เดือดร้อนเพราะกามกับคนที่เห็นโทษของกามนี่เหมือนกันไหมผู้ ก, การเอาผ ก, การกันแล้วกัน ไม่เหมือนเลยนะต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าท่า น, <c oughs> นเห็นทนกรรมเป็นเรื่องของมหากุศลญาณสัมปยุตธ์ไอ้ถูกโทษไอ้ถูกถูกกรรมนั่นก็เป็นอกุศลอยู่แล้วครับเป็นโทสะนะ <c oughs> เป็นโลภะมังโทสะมัง <c oughs> ก็ต่างกันอยู่แล้วครอ๋อ น, นะ โดยสภาวะก็ต่างกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขาเห็นโทษเนี่ยเขาเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของกิเลสกามแต่กิเลสกรมนั้นถ้าไม่มีพวกนี้เป็นอารมณ์กิเลสนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเห็นทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยนะต้องเห็นทั้งสองอย่างก็บอกว่าโดยปกติทั่วไปนะเห็นพวกวัตถุกรรมโดย อ, อนุปัสนาเห็นโทษของวัตถุกรรมโดยอนุปัสนาคือเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นว่าวัตถุกรรมทั้งหมดคือภยัยคือสิ่งที่น่ากลัวถามว่าทำไมวัตถุกรรมจึงน่ากลัวเพราะว่าเป็นที่ตั้งของ กิเลสกรมแล้วกิเลสกรารมทําไมจึงน่ากลัวบอกว่าผลทั้ง10ประการเหล่านี้ที่แสดงมานั้นจักบังเกิดขึ้นหมดเลยเนี่ยนะนแล้วก็ตัวโลภะอันนี้ก็คือสมุทัยเพื่อปฏิสนธิเห็นไหมวัตถุ ก, กรารมทั้งหลายเหล่านี้ที่ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสละได้ยากมาก จิตที่คิดจะให้รูปเป็นฐานเสมอด้วยการรบเห็นไหมจิตที่ให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธิภะนะเขาบอกว่าจิตที่ให้กับจิตที่คิดรบเนี่ยเสมอกันว่างั้นเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพของโลภะที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทุกโทษก็นําปฏิสนธิต่อไปเห็นไหมแล้วถามว่าไอ้จริงๆพวกวัตถุกรรมนี่มันของใครเอานะจะตั้งคําถามว่าหนึ่งใคร สองของใครค่าที่เป็นจริงของรูปนะมันเป็นใครหรือมันเป็นของใครบ้างไม่เป็นใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครแต่มีจริงมันจริงยังไงจริงความจริงของมันคือหนึ่งอะเป็นภัยคือที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือภัยอ่ะนะจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็อย่างหนึ่งคืออันนี้จังนะนะอันนี้ก็คือความจริงของมันอันนี้จังเพราะว่าไม่ได้คงทนอะไรไม่ได้เป็นของที่แน่นอนตายตัวไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีสาระอย่างอย่างแท้จริงแบบที่เข้าไปคิดเนี่ยนะแบบที่เข้าไปคิดอเช่นนะใครที่คิดว่าไปเกี่ยวข้องและกินอิ่มมันก็ไม่อิ่มจริงๆคิดว่าจะได้สิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องแย่งจากใครเลย ได้มาแบบสบายสบายเนี่ยนะไม่ใช่เลยยิ่งเป็นกษัตริย์ศัตรูยิ่งมา ก, กระว่างนั้นนะแล้วให้มันเย็นเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องไม่ให้มันเป็นคบเพลิงอ่ะนะให้มันเป็นเหมือนกับของเย็นเย็นสบายสบา ย, บายไม่ใช่เลยร้อนตลอดแต่ดิ้นเร่าเร่านะไอเย็นแต่จะเพราะแอร์ที่มันเป่าหรอกแต่ว่าใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือหลุมฐานเพลิงที่มันเผาทุกขนทุกแห่ง เอ็งมายังนึกขำเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าโคนรกเวอร์เทสเขาบอกว่าเอ๊ะแสดงเมื่อก่อนเขาพูดว่าสวรรค์ไม่ใช่เหร อ, อนะตอนนี้ทำไมเปลี่ยนไปพูดเป็นนรกซะละอ่านะเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันเป็นหลุมฐานเพลิงได้ทันทีอ่ะนะแล้วก็ก็ไม่มีใครอยู่ในโลกของความฝันได้เนิ่นนานอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็มาปลุกเลยใช่มตื่นตื่นตื่นเนี่ยนะถ้าฝันบางเรื่องอะ่ะที่กำลังเพลินๆอยู่เดี๋ยว ก, ก, ก็ปลุกให้ตื่นละ ผลไม้เนี่ยที่คนมันโค่นได้เนี่ยนอนกินนั่งกินอยู่บนนั้นได้ไม่กี่ทีเดี๋ยวเขาก็โค่นแล้วต้นนั้นแล้วก็ของยืมมันก็ให้กู้นานดอกเบีย้ยมันก็แพงเนี่ยนะก็ต้องรีบส่งคืนเขาซะถ้าไม่ส่งก็เดือดร้อนก็ถูกห อ, อกทิ่มเนี่ยนะมันไม่ใช่ดอกไม้ประดับนะก็ห อ, อกก็จะทิ่มแล้วก็เป็นดาบที่เอาไว้ฟาดฟันแล้วก็เป็นหัวงูเนี่ยถ้าแยกเคี้ยวและกัดเมื่อไหร่ก็ เตรียมหาผู้รักษาไวเ้เถอะทําไมท่านกล่าวว่านี้คือการเจริญนิพพานาครับท่านที่อื่นเขาฆ่าท่านตายเลยครับไม่เห็นเกี่ยวกับปรมัมมัอะไรเลยก็แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านคนถามว่าเป็นความจริงไหมเนี่ยนะเราตั้งคำถามว่าเออสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นความจริงไหมเนี่ยนะ เป็นสัจจะไหมวัตถุกรามทั้งหลายเป็นทุกขสัจใช่ไหมกิเลสกรมทั้งหลายเป็นสมุทัยสัจจะใช่ไหมแล้ววิปัสนาที่เจริญเนี่ยเจริญเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุทัยเพื่อทำที่สุดแ่งทุกเหล่านี้ใช่ไหม ถ้าองค์ประกอบแบบนั้นก็การพิจารณาอย่างที่ว่าก็เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าไม่ได้เกื้อกูลต่อการแทงตลอดสิ่งเหล่านี้เลยก็ไม่เชื่อว่าวิปัสสนาเนี่ยนะเพราะวิปัสสนาจุดประสงค์ก็คืออะไรการท ร, รมาวิจัยวิจัยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสัจจะคืออย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะทุกขสัตเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นยังไงการพิจารณาทั้งหมดให้เห็นทุกขสัตนะคือให้เห็นว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยนะน่ากลัวเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้เห็นทุก์โทษของสมุทัยที่มันเป็นตัวนำเกิดจะได้ทำที่สุดแห่งทุกเหล่านี้แต่ถ้าไม่เห็นแบบนี้นะถึงจะใส่ ย, ยี่ห้อว่าวิาวปัสนาสวยหรูมันก็ไม่ใช่วิปัสนาอยู่ดีเนี่ยนะ ถึงจะไปใส่ว่าเออฉันกาหนดแบบนี้นะมันมีปรัชสสนาก็ของใครก็ของใครก็เจริญไปถ้าคิดว่าวิธีเหล่านั้นทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้ก็เจริญไปแต่ถ้าไม่ใช่วิธีถ้าวิธีที่พิจารณานั้น น, นนะไม่เกื้อกูลต่อการรู้อริยสัจบอกไว้เลยว่านั่นคือทีท่ถูกปาทานกับศีลพัตตุปาทานในวิธีการอ น, นั้นถ้าไม่เลิกละวิธีนั้นก็ โทษของทิฏฐิมีมากยิ่งนักที่ิสนานแล้วอะไรจะออก อ, อ๋อไม่รู้ของ ม, มาไม่รู้ไอวิปสัสสโนปกิเลสสิบเนี่ยเมื่อเจริญไปมากๆอ่ะนะแล้วก็จะได้ปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เรียกว่าผลของการเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิปัสโนปกิเลสที่เรียกว่าวิปัสโนปกิเลสเพราะมันเป็นที่ตั้งของกิเลสไม่น่ากลัวหรอกวิปัสโนปกิเลสเนี่ยให้มันเกิดก่อนเธอเนี่ยนะมันยังไม่ทันเกิดเลยกลัวแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าโอ้โหใครมีเป็นเจ้าของรถเบนซ์นะคุณได้ข่าวไม่รถเบนซ์มันไปคว่ำตายที่นั่นอ่ะยังไม่ทันมีรถเลยกลัวตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ย ให้เอได้ยินแต่ชื่อกลัวกนะ่อนนะโอ้โใครนั่งเครื่องบินนะเครื่องบินนี่เขาโจรกรรำนะอย่างเงี้ยกลัวทั้งไงยังไม่ทันได้นั่งเลยตาเด็กนั่งให้มันนั่งไดก่อนนะค่อยเราว่าทีหนึ่งแล้วค่อยแก้เคาว่างั้นเหมือนกับว่าโอ้โหสวรรค์นี่มันน่ากลัวมากมันไปติดในสุขกคำว่างั้นปัญหาสวรรค์จะได้ไปหรือเปล่าคำว่าู้ไปที่อื่นก่อนนะที่ยังไม่ได้น่ากลัวจริงๆหรอกให้มันได้ก่อนเธอเขาเพราะเขามีวิธีแก้อยู่แล้ว มาดูในเรื่องของธาตุเป็นที่ตั้งแห่งความสลัดออกนะในข้อ428กล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมตตาเจโตวิมุตเราเนี่ยให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นดุดที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วเนี่ยนะคือเขาบอกว่า เขานี่เป็นคนที่เจริญเมตตาจนได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ว่างั้นเถอะเขาเจริญเมตตาเนี่ยมาเป็นอย่างดีแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นพยาบาทก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู่อ่านะคือคื อ, คอเขาบอกว่าโอ้เมตตานะเขาเจริญจนได้ฌานอะ่ะแต่เขายังโกรธว่างั้นนะเขาเขพูดคําพูดแบบนี้ขึ้นมาพิษสูรนั้นก็พึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะนะคำที่ว่าเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติภิกษุทําให้เจริญแล้วทําให้มากแล้วกระทําให้เป็นดังยานกระทําให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้น พยาบาทจับครอบงําจิตของพิสูจน์นั้นตั้งอยู่ดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะว่าเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นที่สลัดออกจากพยาบาทเนี่ยนะท่านค้าใครบอกว่าแหมได้เมตตาฌานแล้วนะยังโกรธอยู่ก็คนนั้นกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ได้เมตตาฌานจริงๆนั้นจะไม่มีโทสะเนี่ยนะจะละโทสะโดยวิขัมพนะปะหาร เนี่ยนะเป็นเรียกว่าโหเป็นกุศลอย่างมีกำลังอย่างมากเลยนะอุปมาเหมือนกับว่าโหสร้างกำแพงยี่สิบอกเนี่ยนะแต่ว่าโจรกระจอกเข้าไปปล้นได้เงี้ก็มันเกินไปแล้วนะมันก็บอกว่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าอย่างร้ายแรงมากไม่ใช่กแพงนะเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> นนะทีนี้ต่อไปนะ้ว่ดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ก็กรุณาเจโตวิมุตต์อันเราให้เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกระทาให้เป็นดังยางกระทาให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นวิหิงสายยังครอบงำจิตของเราตั้งอยู่มาพูดว่าโอ้โหชันเนี่ยนะมีกรุณาต่อสัพพสัตที่สุดมั้งนั้นเถอะสรัรพพสัตที่สุดก็หมายถึงว่าการุณาของเขาระดับชาญระดับกรุณาชาญเลยเนี่ยนะโอ้โหสัตว์โลกนะั้นน่าเห็นใจทั้งหมดนะ แต่ว่าฉันก็อยากตีหัวคนนั้นฉันอยากด่าคนนั้นฉันอยากจะทุบหัวคนโน้นทีคนนี้ทีเนี่ยนะทําไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่รู้เขาบอกงั้นถ้าถ้าใครพูดอย่างนี้พูดถูกไหมบอกแม้กรุณาสรัรพพสัตถ์ถึงที่สุดเลยแต่ว่าก็ยังตกอยากตกหัวใครเล่นถ้าคนหนึ่งเนี่ยนะสนุกสนกมนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนี้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 ให้เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นวิหิงสาอย่างครอบงามจิตของพิสูนนั้นตั้งอยู่ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะว่าการุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นที่สลัดออกจากวิหิงสาเนี่ยนยะเป็นที่สลัดออกจากความ เบียดเบียน er, เนี่ยนะคิดเบียดเบียน er, เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเจริญกรุณามากๆแล้วก็ยังคิดเบียดเบียน er, ผู้อื่นด้วยกายวาจาและใจเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ที่จะเบียดเบียน er, ใครเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายหน้าการุณาใช่ไหมคือถ้าหากว่าเราเห็นว่าเขาทุกเต็มที่เนี่ยนะโดยผู้มีใจกรุณานะต้องการจะซ้ําเติมให้เขาทุกยิ่งยิ่งขึ้นไปมีไหมไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนะเพรา ะ, ะผู้ที่กล่าวบอกแหมเจริญกรุณามากแต่ก็ยังคิดเบียดเบียน er เนี่ยน ะ, สะแสดงว่ากล่าวตู่พระผู้เทอเจ้า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็มุทิตาเจโตวิมุติเราให้เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกระทาให้เป็นดังยานกระทาให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นอารติยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู่ mm hmm. เขาบอกว่าโอ้โหเขาเนี่ยเป็นคนที่ยินดีกับทุกคนเลยนะใครมีดีส่วนไหนเขายินดีหมด แต่ว่าเขาไม่ชอบคนอย่างเงนะปติแปลว่าไม่ยินดีเลยนะเขารู้สึกว่าไม่มีความบันเทิงกับใครเลยเงี้ยความความคิดแบบนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าไม่ใช่ฐานะและคําพูดแบบนี้ให้รู้เถอว่ากล่าวตูพระผู้เทอเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคําที่ว่าเมื่อมุทิตาเจโตวิมุตติพิสุให้เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกระทาให้เป็นดังยานกระทําให้เป็นดุดที่ตั้ ง, ค, งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นอรารติยังครอบงําจิตของภิกสุนั้นตั้งอยู่ดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะมุทิตาเจโตวิมุตติเป็นที่สลัดออกจากอรารติ อารตินี่แปลว่าความไม่ยินดีหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งนะเขาบอกแหมเขาเนี่ยมู้ที่ตายินดีกับทุกคนแต่ว่ายังได้สยะอยู่เนี่ยพูดถูกไหมไม่ถูกอยู่แล้วเนี่ยนะมันขัดกันแหมเขาได้ดีแล้วนึกตำหนิไม่ชอบใจเลยที่คนอื่นเขาได้ดีมีความสุขนะเขาบอกว่าเขามีมู้ที่ตา ม, มากแต่ว่าเห็นคนได้ดีแล้วเขาเดือดร้อนทุกทีอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วผมนึกถึงในคุณธริยสูตร โอ้ยฉันเจริญวิปสัสสนามามากมายเลยแต่สุจริตสามไม่รู้เรื่องอ<ม>ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเป็นการกล่าวตูวหรป่าก็ถ้าสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเจริญเนี่ยเป็นของพระผู้มีพระภาคหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าถ้าสิ่งที่เขาเจริญเป็นของพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วเขาปฏิเสธในธรรมะอะที่เป็นเหตุใกล้ฐานของสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่ากล่าวตู แต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเฉพาะส่วนตัวของเขาตรงนี้ก็หม่พูดให้ตรงก็คือคนนอกอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องวิจารณ์ล่างนั้นเห็นไหเพราะว่าเขาไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่ได้เจริญตามคำสอนอยู่แล้วก็เลยเรียกว่าคนนอกดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิไนนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็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 พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคําที่ว่าอุเบขาเจโตวิมุตติภิกษุให้เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกระทาให้เป็นดังยานกระทําให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นราคะยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู่ดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะว่าอุเบขาเจโตวิมุตตินี้เป็นที่สลัดออกจาก ราคาเห็นทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นพรหมิหารทั้งสี่ข้อเลยนะต้องฌานใช่ครับอันนั้นพรหมิหารสี่ น, นพรหมิหารสี่นั้นเป็นที่สลัดออกจากธรรมะสี่นะ ถ้าเมตตาเป็นที่สลัดออกจากพยาบาทเนี่ยนะรุณาเป็นที่สลัดออกจากวิหิงสาเนี่ยนะมุทิตาเป็นที่สลัดออกจากอารติเนี่ยนะอุเบคา เป็นที่สลัดออกจากราค ะ, ะตรงทุกคำเนี่ยนะจะมีคําหนึ่งเป็นรหัสบอกว่าเป็นฌานคือเจโตวิมุตต์เนี่ยนะสับเนี่ยเท่ากับฌานแต่ถ้าเป็นศัพท์ว่าเมตตาเฉยๆกรุณาเฉยๆเป็นทั้งอุปจาระและอัปปนาคือเป็นทั้งไม่ใช่ฌานก็ได้เป็นฌานก็ได้ แต่ัว่าเมตตาเจโตวิมุตตอันนี้เป็นฌานเมตตาสามารถทำให้ได้ฌานที่1ถึงที่4แบบปัญจาการในเนี่ยนะเอาปัญจาการในนะการุณาก็ฌานที่1ถึงที่4นะมุทิตาก็ฌานที่1ถึงที่ส่ส่วนอุเบกานั้นฌานที่5้าอย่างเดียวเนี่ยนะปัญจาการในนะฌานหมวด5 เพราะฉะนั้นเท่ากับบอกว่าเขานี่เป็นผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ในพรหมวิหารเขาได้ฌานหมือนกันเถอะได้ฌานที่ได้จากพรหมวิหารแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาฌานเนี่ยเป็นอัปปมาญญาแผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ยังมีพยาบาทอยู่อันนี้พูดผิดอย่างมากลักษณะของเมตตาคืออะไรคือการคิดนําประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้ให้สัตว์นั้นๆ น, น, นะ ประโยชน์อะไรที่สัตว์นั้นพึงพได้รับควรได้รับผู้มีเมตตาทั้งหลายน้อมนําประโยชน์เหล่านั้นนะความคิดน้อมนาประโยชน์อันนั้นเข้าไปให้บุคคลนั้นนั้นทั้งหมดอันนั้นเป็นเมตตาเสร็จแล้วนะพยาบาทเหมือนกับว่าไปแย่งชิงผลประโยชน์ของเขาเนี่ยนะไปทําลายผลประโยชน์ของสัตว์นั้นนั้นอยู่หมายว่าแบดได้ชามอย่างนี้เสร็จแล้วก็ยังทําลายประโยชน์ของสัตว์นั้นนนะอันนี้ชื่อว่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าเพราะปกติ เมตานี้เป็นที่สลัดออกจากพยาบาทพยาบาทนี้คือการที่เข้าไปทำลายความสุขของของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะหมายความว่าเอาทุก์เข้าไปให้เช่นถ้าพยาบาทนะสั่งฆ่าเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องฆ่าค่าทั้งหลายแหละเนี่ยที่ชัดๆเกี่ยวกับเรื่องพยาบาทนะเข้าไปตัดอย่างใดอย่างหนึ่งเาที่ที่เขาควรจะได้รับเนี่ยนะเช่นความสุขหรือเข้าไปก่อเวร พันพวกนี้ก็แสดงว่ากล่าวตู่พระพูทเธอเชา้าผู้มีเมตตา ม, มากแต่ว่านั่งด่าคนตลอดเลยเนี่ยนะก็ไม่ใช่ละเห็นาหาหลังออกจากฌานแล้วนีเป็นพยาบาทต่อถ้าฌานเสื่อมได้แต่แหมจะเข้าฌานเมื่อไหร่คล่องแคล่วเลยนะนึกจะเข้าก็เข้านึกจะออกก็ออกจะเข้าถึงครึ่งวันก็เข้าครึ่งวันเสร็จแล้วนะพอออกมาก็ด่าคนอื่นตลอดอย่างเงีนะ้มันไม่ใช่แล้วมันพูดผิดแล้วอย่างงี้เนนไห เพราะว่าเงื่อนไขก็บอกว่าเป็นผู้ที่ชำนาญในเมตตาเป็นอย่างดีเนี่ยนะที่ใช้คาว่าเราเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ทำให้เป็นดังยานก็ทำให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วสังสมแล้วปรารบดีแล้วเนี่ยนะคำเหล่านี้คือเป็นผู้ที่มีวสีที่สุดในเรื่องของพรหมวิหาระนะเสร็จแล้วก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาแล ะ, อะขอไ ป, ประทุสร้ายหรือทาลายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจายอยู่เนี่ยนะ หมายก็ว่ า, วาโอ้โหพอเจริญเมตตานะแผ่อ่ะประมาญญาเสร็จแล้วนั่งคิดด่านะไอ้คนนั้นมันเลวอย่างงั้นคนนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ทีนี้กรุณาก็เหมือนกันปกตินะักรุณาคือการคิดบำบัดทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมคิดนําแต่ความทุกข์เหล่านั้นของสัตว์นี้ออกให้หมดเลยเสร็จ แ, แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังยังแหมมันน่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพี่ฮะเขาทุกข์กนะันไง เช่นเขาหน้าเคียดหน้าถูกตีหน้าเสียหายหน้าอย่างงั้นอย่างนี้แสดงว่าผิดแล้วแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่กรุณาแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่ากรุณานี้ออกจากความเบียดเบียนเนี่ยนะก็การเบียดเบียนก็ด้วยกายวาจาและใจนะเบียดเบียนด้วยกายก็เช่นทําให้เขากลัวการกเคียดกาตีเป็นต้นเนี่ยนะการเบียดเบียนทางวาจาก็แหมจะไปใช้คําให้เขาเจ็บที่สุดเท่าที่จะทําได้ สมมตินะถ้าผู้ที่มีกรุณาเนี่ยก็คือเห็นว่าเขาป่วยอยู่แล้วเห็นว่าเขาทุกข์อยู่แล้วผู้ที่วิหิงสานะเบียดเบียนก็คือว่าไปซ้ําเติมทุกข์เหล่า น, านั้นให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนั้นผู้ที่กรุณาจริงๆก็ไม่ใช่เนี่ยนะไม่ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะไปให้เขาทุกข์มากยิ่งขึ้นทีนี้ผู้ที่มุทิตาก็คือร่วมบันเทิงกับไปกับทุกคนเลยนะบันเทิงเนี่ยหมายาว่าเขาเช่น คติสมบัติก็ดีใจกับเขานะมุทิตาดีใจเต็มที่เลยประโยค่าสมบัติก็มุทิตาให้อุปทิสมบัติก็มุทิตาให้ น, นะเขามีดียังไงก็มุทิตาให้หมดดีมุบันเทิงกับเขาไปหมดเลยเสร็จแล้วนะอารติอา ร, ต, อารตินี่แปลว่าความไม่ยินดีความไม่ยินดีเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าริศยาก็ไม่ผิดเดนะ แต่ก็ยังอดมันไส้ไม่ได้เลยนะที่เขามีดีตรงนั้นเนี่ยนะก็ะแสดงว่าไอ้เนะริษยามันเข้าแล้วแสดงว่าไม่ใช่ละเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่มากด้วยมุทิตาจริงๆจะไม่รู้สึกว่าต้องริษยาเนี่ยนะรู้สึกว่าเขาได้ดีแล้วเราต้องเสียใจเดือดร้อนเนี่ยไม่มีเลยคืออารติเนี่ยนะเขาก็ยกตัวอย่างถึงว่าพวกที่มีอารติเช่นพระพิสุอยู่ป่านึกราคาญป่าขึ้นมาทันที อันนี้เรียกว่าอารติในอย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งก็คือพอเจริญกุศลไปก็นึกรำคาญในการเจริญกุศลขึ้นมาอันนี้ลักษณะของอารตินะทีนี้คนที่ปกติมุทิตามากๆเสร็จแล้วก็เห็นคนได้ดีแหมมันราคาญมากเลยนะก็แสดงว่าไม่ใช่เจริญมุทิตาอย่างแน่นอนเนี่ยนะานึกรำคาญเมื่อผู้อื่นได้ดีแสดงว่าผิดส่วนอุเบคาเนี่ยก็คือคนที่ได้ชานสีเนี่ยนะพูดให้เต็มอ่ะนะ คนเนี่ยเขากินอิ่มจนว่าไม่รู้จะกินอะไรเข้ามาละอิ่มเต็มที่ละกลืนอะไรก็ไม่ลงเป็นอาหารชั้นดีเลยนะที่อิ่มที่สุดเสร็จแล้วก็บอกว่าเห็นอะไรน้ำลายไหลหมดเลยแหมมันมันผิดแล้วแสดงว่าท้องมันหิวเต็มที่แล้วเหมืองกันนั้นคนที่ได้ชาดสีเนี่ยคือคนที่อิ่มที่สุดเรียกว่าอิ่มจนไม่รู้จะกินอะไรอีกแล้วไม่เอาแล้วเห็นถ้ามันแทบอาเจียนเลยนะเสร็จแล้วบอกแม้เห็น นวลว่าเห็นข้าวผัดก็น้ำลายไหลเห็นอะไรก็น้ำลายไหลหมดแสดงว่าผิดถ้าผู้ที่มีอุเบกขาเนี่ยก็คืออิ่มใจอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไงก็ไม่มีราคาเนี่ยนะก็บอกว่าผู้ที่มีความสุขในตัวอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่ไม่คิดจ ะ, สะแสวงหาสุขภายนอกอยู่แล้วแล้วอ ย, อย่างนี้ก็ รําคาญใจนี่มันมันมันสับมันเป็นสภาวะเฉยเฉยไม่รู้ว่ารําคาแบบไหนผมก็ทไม่ดีแล้วผมก็ไม่ใช่กุศลแล้วก็ตอบตามคำถามนะครับเป็นเป็นเป็นไบาคือโทสะเจตสิกนี่มันเกิดอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าเช่นถ้ารูปแบบมาในพยาบาทก็นึกตำหนินึกเบียดเบียนเขาด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะ แต่ถ้าวิหิงสาก็เช่นว่าโหเนี่ยทำบาปอย่างนี้นะแช่ง น, ชงนึกแช่งทันทีเลยกลุ่มเนี่ยจะเข้าจะเข้ามันจะหนักไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะว่าไปหงุดหงิดก็โทสะอยู่แล้วแต่โทสะเหล่านั้นจะลุกลามรุนแรงต่อไปก็ก็ดูปัจจัยด้านอื่นๆเข้าไปอีกก็ไม่น่าเลยนะแต่เขาทำไปแล้วอะ่ะ